เรื่องวิญญาณกลิ่นดอกกุลาบแปลจากนิตยาสารเฟ็ประจำเดือนเมษายนคฤศราช1970คุยลาบแทนยังไงก็ดูสวยดีสิ่งความหมายเป็นคําเอ้ยทนอัตใจกุลาบข้าก็ดู